แนะนำบทอรัรลอฮ์มานบทอรัรลอฮ์มานเป็นบทมัคคิยามีเจ็ดสิบแปดองค์การบทนี้ได้เริ่มต้นอธิบายถึงบุญคุณอันหลากหลายของอัลละฮ์และความโปรดปรานอันชัดแจ้งอย่างมากมายของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าวอย่างเหลือขนานับโดยเฉพาะในเบื้องต้นของความโปรดปรานนั้นก็คือการส อ, สอนอัลกุรอานโดยถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่แก่มนุษย์หลังจากนี้ ทางบทนี้ได้เปิดโฉมหน้าจักรวาลกล่าวถึงบุญคุณอันสำคัญของอัลลอฮ์ที่มีต่อมนุษย์เหลือขนานับเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต้นไม้ท้องฟ้าอันสูงส่งปราศจากสิ่งคําจุนและสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆาเหล่านั้นที่แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ถึงอนุภาพและการประดิษฐ์ที่น่าประหลาดแผ่นดินซึ่งใช้เป็นที่หวานพืชพันธัญญาหารน า, น, านาชนิด เพื่อเป็นปัจจัยยั่งชีพของมนุษย์บทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานแห่งอนุภาพในการโคจรของจักรราศีการแหวกว่ายของนาวาในท้องมหาสมุทรท่ามกลางคลื่นลมสเสมือนขุนเขาอันมหุมา ท, ที่ตั้งตารางงานอยู่ท่ามกลางทะเลสายหลังจากนั้นได้สาธยายในเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาล น, นี้ว่าต้องสูญสลายอย่างแน่นอนจะไม่มีสิ่งใดคงเหลืออยู่ในพิภพนี้ นอกจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอกะนั้นที่จะคงอยู่บทนี้ได้กล่าวถึงความน่ากลัวของวันขี亚马กล่าวถึงสภาพของผู้ทุกข์ยากทั้งหลายบรรดาคนชั่วและสิ่งที่พวกเขาได้ประสบเช่นความหวาดกลัวความรุนแรงเป็นต้นบทนี้จบลงด้วยการเทริดพระเกียรติแด่พระอง์และถวายการสรรเสริญต่อพระองค์ในการที่พระองค์ทรงโปรดปรานต่อปวงเบาวของพระองค์ด้วยบุญคุณอันล้นเหลือ และนั่นเป็นการจบที่เหมาะสมยิ่งสําหรับบทอารอหรมาดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธองค์การนี้ถูกนํามากล่าวในบทถึงสาสิบ็ครั้งโดยกล่าวไว้แปดครั้งหลังจากบรรดาองค์การที่เกี่ยวกับความมหาศักดิ์ในการสร้างความสวยงามในการประดิษฐ์สิ่งที่ถูกสร้างมาการสร้างในครั้งแรกและการสร้างครั้งที่สองในวันพุโลก อีกเ็ดครั้งหลังจากบรรดาองค์การที่กล่าวถึงไฟนรกและความรุนแรงของมันอีกแปดครั้งกล่าวหลังจากบรรดาองค์การที่เกี่ยวกับสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งและอีกแปดครั้งถึงชาวสวนสวรรค์ชั้นรองลงมาทั้งสองแห่งของชาวกลุ่มทางขวาบทสนทนาในทุกองค์การเป็นการสนทนามนุษย์กับยินจุดมุ่งหมายในการนี้เป็นการประนามอย่างหนัก ในความอากตันยอยู่ของพวกปฏิเสธเพราะว่าผู้ที่มีบุญคุณอันมากมายเช่นนี้สมควรยิ่งที่จะต้องขอบคุณและศรัทธามีใช้ด้วยการปฏิเสธศรัทธาและการเนรคุณประโยชน์ในการกล่าวซ้ำในองค์การนี้ก็คือเมื่อได้ยินการกล่าวถึงบุญคุณแต่ละชนิดก็จะเตรียมจิตใจเพื่อไข้ควรให้มีการตื่นตัวตื่นใจและเพื่อไม่ให้ความหลงลืมเข้ามาครอบงำอัลลอ ทรงแจกแจงบุญคุณและความโปรดปรานของพระองค์ในบทนี้การที่ได้นาองค์การนี้มากล่าวชี้แจงไว้ในบทแนะนำนี้ก็เพื่อจะได้ไม่กล่าวเป็นการซ้าเมื่อได้อธิบายความหมายขององค์การนี้ด้วยพระนามของเรา a ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงกรุณา อันลม القرآن พร่มทรงสอนอัลกรอาณอลักลอินสานพร่มทรงสร้างมนุษย์อันลมหลบยานพร่มทรงสอนให้เขาเปล่งเสียงพูดอัสชมสวัลกำรบิฮสดาน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะโผจรตามวิถีที่แน่นอ น, น, น, นและดวงดาวและต้นไม้ทั้งสองนั้นจะกราบพระองค์าาลและชั้นฟ้านั้นพระองค์จะทรงยกมันไว้สูงและทรงวางความสมดุลไว้ เพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ฝา่าฝืนในเรื่องการช่างตวงวัดและจงทํารงไว้ซึ่งการช่างตวงวัดด้วยความเพียงคำและอย่าให้ขาดหรือหย่อนตาช่าง และพันดินนั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมมันไว้เพื่อสับพระสิ่งที่สร้างขึ้นในพันดินนั้นมีผ ล, ลไม้และต้นอินทพลัมที่มีผลซ้อนกันหลายชั้น และมีเม็ดที่มีเปลือกและมีกลิ่นหอมดานั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธพรคองทรงสร้างมนุษย์จากดินเหนียวเช่นดินที่ใช้ทำเครื่องป้าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากดินเหนียวเช่นดินที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา พระองค์ทรงสร้างยินจากเปลวไฟดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธรับบุญเฉลี่ยนิวร์รบุลโมริเบย์ พระเจ้าแห่งทิศตะวันตกทั้งสองและพระเจ้าแห่งทิศตะวันตกทั้งสองดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธพระองค์ทรงทําให้ทะเลทั้งสองไหลามาบรรจบกัน ระหว่างมันทั้งสองมีที่กั้นกีดขวางมิให้ล้าเขียดต่อกันดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสอง ม, มีไข่มุกและหินปะการังออกมาจากมันทั้งสองดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ และเป็นของประโค์คือเรือขนาดใหญ่ลอยเด่นอยู่ในท้องทะเลคล้ายกับภูเขาที่อยู่ในทะเลทรายดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธทุกทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินย่อมดับสลาย และพระพักของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงประเสริฐเท่านั้นที่จะยังคงเหลืออยู่บบดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ ผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะขอพรองอยู่ทุกๆวันพรงองทรงมีภาระาจิตดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ อีกไม่ช้าเราจะจัดการกับพวกเจ้าโอ้มนุษย์และยินเอ๋ยจากนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธยาเมื่อัลรจินนีวัลอินสอินอัตะัตตัุมอันตฟุดูมินอักวตาริสสมาวากิวัลอัล โตะตตลลตโชุมนุมแห่งยินและมนุษย์ทั้งหลายหากพวกเจ้ามีความสามารถที่จะผ่านให้พ้นบรรดาขอบฟ้าและแผ่นดินนี้ได้ก็จงผ่านไปให้พ้นเถิดแต่ว่าพวกเจ้ า, าไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ เว้นแต่ด้วยพลังของ Allah เท่านั้นดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธเปลวไฟและทองเหลืองจะถูกส่งมายัางเจ้าทั้งสองแต่เจ้าทั้งสองก็ไม่อาจป้องกันตนเองได้ ดังนั้นด้วยบนคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ فإذا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً ك َِْ ه َ ا ن ทันเมื่อชั้นฟ้าแตกกระจายออกมันจะกลายเป็นสีแดงคล้ายขี้ผึ้ง رب آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธและในวันนั้นมนุษย์และยินจะไม่ถูกถามถึงความผิดของเขาดังนั้น ด้วยบุญคุณอัน a เล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธบรรดาผู้ที่มีความผิดจะเป็นที่รู้จักกันได้ที่เครื่องหมายของพวกเขาและจะถูกจับตรงขมับและเท้าลากลงน ร, รก ดังนั้นด้วยบุญคุณนันไดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองพี่เจ้าทั้งสองปฏิเสธนี่คือนรกที่บรรดาผู้ที่มีความผิดไม่ยอมเชื่อพวกเขาจะเดินวนเวียนอยู่รอบๆ ร, ระหว่างมันกับน้ำร้อนที่เดือดบน ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธและสำหรับผู้ยำเกรงต่อการยืนต่อหน้าพระพักแห่งพระผู้อภิ บ, บาลของเขาเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์สองแห่ง ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธสวนสวรรค์สองแห่งนั้นมีต้นไม้แผ่ ก, กิ่งก้านเขียวช อ, อุ่มและผลไม้หลากชนิดดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ ในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีน้ำตาสองแห่งไหลพรั่งพรูดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีผลไม้ทุกชนิด แบ่งเป็นสองประเภทดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองพี่เจ้าทั้งสองปฏิเสธพวกเขาจะนอนเอกเนกอยู่บนฟูกซึ่งซับในของมันทำด้วยไหมพรมอย่างดี ผลไม้ของสวนทั้งสองนั้นอยู่ใกล้แค่มือเอื้อมดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธแล้ว ในสวนสวรรค์เหล่านั้นมีหญิงสาวพรหมจารีผู้ละสายตาลงมองเฉพาะสามีของนางเท่านั้นซึ่งไม่มีมนุษย์และไม่มียินแต่ต้องตัวนามมาก่อนเลย บ, บอยบบาั ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธคล้ายกับว่าพวกนางเป็นทับทิมและปลาคาร์พ ด, ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ จะมีการตอบแทนอันใดเล่านอกจากความดีในประโลก ي أ ي آ ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองพี่เจ้าทั้งสองปฏิเสธและอื่นจากสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้น และยังมีสวนสวรรค์อีกสองแห่งบดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ ม, มสวนสวรรค์ทั้งสองนั้นเขี้ยวจะอุาน ดังนั้นด้วยบุญคุณนันไดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีตาน้ำสองแห่งที่ควยพุ่งออกมาอย่างไม่ขาดสาย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 ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์เหล่านั้นมีหญิงสาวที่มีมันยา่าดงามดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ หญิงสาวผิวพรรณขาวผ่องในตาคมที่เก็บตัวเฉพาะสามีของนานเท่านั้นอยู่ในกระจกดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองพี่เจ้าทั้งสองปฏิเสธซึ่งไม่มีมนุษย์และไม่มียิน เคยแต่ต้องตัวนางมาเกานเลยดังนั้นด้วยบุญคุณนันไดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธพวกเขาจะนอนเอกเนกบนหมอนอิงสีเขียว และพรหมที่มีลวดลายอย่างสวยงามดังนั้นด้วยบุญคุณนันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงประเสริฐทรงจำเริญยิ่ง